ก็คือปกติเนี่ยความคิดมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับก็ไม่ใช่ว่าแบบให้ไปผักไฝ่ที่มันเกิดดับเกิดดับนั้นแบบหาแต่ความสงบอะไรเงี้ยครับก็ให้มันรู้ว่าแบบเออมันก็เกิดดับของมันนะเป็นธรรมชาติของมันเพราะคือทุกสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นมามันก็ดับเป็นธรรมดาครับเพมันก็เป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่อะไรที่แบบผิดปกติก็ประมาณนั้นครับ พูดเขาท่าพูดยาวว่านี้เลสิเสร็จแล้วก็เรื่องการปฏิบัติก็คือไม่ไม่ต้องไปแบบไปหวังนู่นหวังเนี่เพราะคือแบบการไปหวังมันก็คือเหมือนกับเราเดินถอยหลังไปจากเป้าหมายของอยู่แล้วประมาณนั้นจะอธิบายงั้นได้ก็ได้ครับก็คือเหมือนกับแบบว่าเอคือเป้าหมายของเราก็คือแบบจะว่าจะเรียกว่าเป้าหมายได้ไหมอ่ะเพราะคือมันก็ไม่มันก็ไม่มันคือแบบความไม่มีอะไรครับ แล้วยิ่งเราไปทําให้บอกมันมีมันก็ยิง่งแบบห่างไกลจากไอ้ความไม่มีอะไรนั่นเข้าไปอีกแหมลี่น่าฟังวะตรงเนี้ถึงใจมากเลยภาษานี้ไม่เคยมีพูดนั่นเนี่ยเรายิ่งไปยึดจับไอ้เรื่องแบบของความว่างเนี่ยครับคือเราไปจับความว่างมันก็เหมือนกับว่าเราก็มันก็ไม่ว่างแล้วเพราะเราไปจับสิ่งที่มันเรียกว่าความว่างอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาปฏิบัติเนี่ย เราไม่ต้องไปสนหรอกว่าสุดท้ายเราจะไปปจุบัติแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงเราก็แค่ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดครับแค่นี้อาไงฟังเด็กพูดแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอฟังผู้ใหญ่พูดมันมึนอ่างเด็กพูดแล้วเป็นไงบ้า ง, อา ง, ง, างสองคนน่ะั้งจิมทั้งรีอเข้าใจอย่างที่น้องพูดนะคะ่ะมันมันมีตัวที่จะเข้าไปกระทำ ก็มันเหมือนจริงๆถ้าแค่รู้อยู่กับรู้ค่ะแค่นี้โดยที่ไม่ไปตามในสิ่งที่ทมันมันมันจะมีอาการที่ผลักออกไปตรงนั้นนะคะเราไม่ลงไปอยู่กับตรงนั้นเนี่ยถ้าอยู่กับตรงนี้ได้อยู่ก็รู้ตรงนี้ได้มันก็จะไม่มีอะไรได้อะคะอ่ะจรย์ป็นไงฟังปั่ปา น, น, น, นพูดเป็นไงม้าง อืมโอเคไงก็เ uh, ข้าใจที่เขาพูดนะคะว่าทําก็ไม่ต้องไปมุ่งที่เป้าหมายทําปัจจุบันทําให้คําพูดพิสดุดแต่เข้าใจที่เขาพูดป่ะเดี๋ยวจำไม่ได้ต้องให้ปันปันพูดใหม่อดี๋รวลองให้ยิ่งกว่าเดิมเออเอาไม้กลับมาให้พูดยิงแบบเดิมเิ เอาให้ใหมั น, น, นยิ่งกว่าเดิมอีกได้เอา้าจำไม่ได้ก็คือถ้าเราปฏิบัติตั้งแต่ต้นให้มันดีปลายมันก็ดีเอง ค, เครับแค่นี้ครับทำปัจจุบันให้ดีและความปรารถนาทั้งหลายให้หมดไปนะก็อยู่กับปัจจุบันเวลานั่นก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เห็นว่ามัน ม, มันไม่มีอะไรไม่ต้องไปเอาอะไร ทำเหตุให้สมบูรณ์แล้วผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นนะคะอะัอันนั้นก็ยังไม่ไม่ถูกต้องนะอันนี้แสดงว่าไปหวังผลในอนาคตเราทำปัจจุบันให้ดีสุดอนาคตมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เหตุที่มันจะเกิด อันนี Desert ้ไปหวังในอนาคตไม่ใช่เอฟุมันก็เป็นปัจจุบันผลก็เป็นปัจจุบันนี่แหละเอฟปัจจุบันเน่ะในปัจจุบันมันอยู่กับปัจจุบันที่ไ่ยึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์ผลมันก็เป็นความไม่ทุกข์ของมันเนี่ยในปัจจุบันนี่แหละในปัจจุบันนี้ไ่ยึดอะไรให้ใจเป็นทุกข์ผลมันก็เป็นความไม่ทุกข์ในปัจจุบันนี้ ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ยึดอะไรเป็นทุกข์ผลมันก็เกิดขึ้นแล้วเหตุก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ชัดในใจของเราเนี่ยนะว่าชัดในใจตรงนี้ว่าเพราะเหตุที่ไม่ไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์จมันก็เลยไม่เป็นทุกข์มันอ่านชัดอย่างนี้ขาดเดี๋ยววินาทีถัดไปชั่วโมงถัดไปมลิลิตรไปเรื่องถัดไปปีหน้าผัดไปมันก็เห็นเหตุและผลอย่างนี้ว่าปัจจุบันนี้ขณะปัจจุบันนี้ขณะปัจจุบันนี้ขณะปัจจุบันนี้ไม่ไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ ผลมันก็ไม่เป็นปัจ okay. จุบันนั่นคือไม่ทุกเป็นขณาปัจจุบันทุกขนาดปัจจุบันก็เลื่อยไปอย่างเงี้ยแม่แต่บอกว่ามีชัดหน้าจัดนู้นชัดนู้นชัดนู้นไปชัดนู้นชัดนู้นก็มายึดอีกไม่ยึดอเลยเป็นทุกมันก็เลยไม่เป็นทุกทุกขนาดปัจจุบันไปมันไม่มีว่าเราทาเหตุปัจจุบันดีสุดเดี๋ยวอนาคตจะเป็นไงกระช่างมันไอ้นี้ไม่ถูกมันเป็นเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันคือศาสตาสอนอย่างนี้แไงถ้าเหตุปัจจุบันไปยึดให้เปป็็นนททุุกกกมัต้อง เหตปัจจุบันไม่ย ah ึดอะไรเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากเหตุแห่งทุกข์กับสมุทัยมันก็คือปัจจุบันยึดอะไรเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์ส่วนมากกับนิโรธคือปัจจุบันไม่ยึดอะไรเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นเหตุในปัจจุบันผลในปัจจุบันก็ไม่ต้องยึดอะไรปล่อยวางก็อย่างมิก็ไม่ยึดยังไงก็ไม่ยึดไม่ยึดตัวตนของเรา ปล่วางตัวตนของเราให้ได้มองเห็นว่าตัวตนมันไม่ใช่เราทุกอย่างไม่มีเราต่าไม่มีความปรารถนาอะไรมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรแต่ยังมีความหวังความปรารถนาอะไรอยู่ก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะถ้ายังปรารถนาอะไรอยู่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ความทุกข์ก็ยังไม่สิ้น เพราะมันยังท่ายังปาจจณาอยู่แล้วมันไม่ตมปัจจณามันก็ต้องไปทุกอยู่แน่แต่ตอนนี้ยังปัจจณาอยู่พรุ่งนี้ยังปัจจณาอยู่มาลึ้ก็ต้องยังปัจจณาอยู่จะดับความปัจจณาก็ดับตอนนี้ถดับตอนนี้สิ้นปัจจณาตอนนี้ก็สิ้นทุกเดืยวนี้ถ้าพรุ่งนี้ดับปัจจณามันก็ต้องไปดับเอาพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดับได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ดับหรอก มันต้องอีูปัจจุบันเนี่ยอ่านใจร้อยขาดแ่าเนี่ในขณะปัจจุบั น, นออะรรจะไปเอาอะไรบ้างจะไปเอาอะไรไหมเนี่ย เ, เราจะไปเอาอะไรบ้าเนี่ยเออแต่เราบอกว่าทำเหตุปัจจุบันให้ดีที่สุดเดี๋ยวอนาคตจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของมันอันนี้ยังไม่จะไปเอาอยู่แต่เอาอะไรในอนาคตมันจะเป็นปัจจุบันนี้เลยอ่านใจตัวเองขาดว่าซื่อๆตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันซื่อๆ รู้ซื่อๆคู่ซื่อๆคู่ซื่อๆภาษาอีสานนะอย่างที่มันเป็นเนี่ยแต่ปัจจุบันไม่มีผู้ไปเอาเลยไม่มีคิดจะไปเอาอะไรไม่ใช่ว่ารู้ซื่อๆเดี๋ยวถ้ารู้ซื่อๆแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นนิพพานเดี๋ยวจะไปเอาิพพานถ้ารู้ซื่อๆแล้วเดี๋ยวจะไปว่างอันนี้มันไม่ซื้อแหละเร่องที่ไม่ซื่อในปัจจุบันแล้วเพราะมันจะไปเอาอะไรในอนาคตมันไม่ซื่อในปัจจุบันคือ มันรู้ ส, สู้ๆมันจะคือมันจะไม่เอาอะไรไม่ไปเอาอะไรไม่มีตัวจะไปเอาอะไรอีกถ้ารู้สู้ๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปได้อะไรเดี๋ยวจะไปไะไะไเป็นอะไรเลยต้องพยายามทำปัจจุบันให้มันสู้ื่อไว้เดี๋ยวนาคุมันจะได้ดิพานหรือให้ปัจจุบันรู้สู้ๆไว้เดี๋ยวนาคุมันจะได้ว่างอันนี้มันไม่ซื่อซ <in> ื่อมันคือต้องซื่อสื่อตรงไป ต, ตรงมาในปัจจุบนันนี่น <inf lu v ian> แนมก็คืออย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปยึดไม่กข้ไปผักใส แล้วก็ไม่ไม่ปรารถนาจะไปเอาอะไรเนี่ในอนาคตมีแต่ปัจจุบันซื่อๆซื่อๆในปัจจุบันรู้ซื่อๆจะเป็นนิพพานในปัจจุบันรู้ซื่อๆนิพพานเป็นปัจจุบันครับรู้ซื่อๆเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ทุกเดี๋ยวนี้เดี๋ยววินาทีถัดไปมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นอีกวินาทีต่ดไปก็เป็นอย่างนั้นอีกก็รู้ซื่อๆเลยไปแต่ขนาดจิตใจไปยึดเข้าไม่ซื่อมีความปรารถนาเขายังมีความหวังความปรารถนาว่าเอ๊ะ มันยังไม่ได kind of like ้เนี่ยคุณมันยังไม่ได้อย่างงี้จะไปเอาอย่างคุณจะไปเอาอย่างงี้ความทุกข์ก็ย่อมเกิดทันทีไม่มีความปรารถนาก็จะเห็นอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่หยับมันมีความอยากขึ้นมามันก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นแหละก็จะเห็นโทษมันไงว่าอ๋อความปรารถนานี่เนี่ยมันเป็นมันทําให้เราทุกข์ไม่สิ้นที่ท่านมีในคําสวดเนี่ยที่ว่าพาลาฮเวปันจักขันธาขันทั้งาเป็นของหนักเนี พาลาฮโลจะบุคโลบุคคนแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาลาทานังทุกขังโลกเกิการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกธีกิดปิตวาคลุงกำลังพระเรียเจ้าทั้งหลายท่านปล่อยวางหมดแล้วทั้งมาหยิบช่วยเอาปล่อยวางแล้วก็มาหยิบช่วยอะไรขึ้นมาอีกก็เห็นว่าเวลาที่มันทุกข์ก็เอ้ดิ้นรนปุ๊บมันก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แหละก็ต้องวางเลย ตรงนี้จะเห็นเรื่อยแล้วเห็นกามาก็มันไม่ใช่แหละต้องวางอันเนี้ยท่านบอกว่าในคำตัวนี้เ น, นี่ยสมุลังตันังอภูอภูรหระพอวางแล้วเนี่ยก็เลยนะดับสิ่งปัถนาสดิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ย นิชาโตปรินิพุตโตกำหมดกิเลสสิ้นทุกข์มรรุปนิพพานก็มีในคําสวดอยู่บทนี้ที่ก็อเอามาเฉลิสวกันประจาดับปัฏนานดับความปัฏนานในปัจจุบันถ้ายังในปัจจุบันยังปัฏฐานอะไรอยากจะไปเอาอะไรอันนั้นก็เป็นเหตุที่ทาให้ไม่สิ้นทุกข์ในปัจจุบัน ในปัจจุบันมีแต่ซื่อๆอย่างที่เ็าเป็นซื่อๆต่องไปตรงมาที่ในหนังพระเจ้ามหาสัตดาโลกที่ว่าพระเจ้าตอนตัสรตว์รู้พระเจ้าระพึงกังนมาว่าเราหลับนานมากเลยหรือหลับเร็วมากแต่ความจริง น, น, น่าจะแปลผิดตรงนี้เพราะว่าไปดูในในบทอื่นได้คำว่าหลับนานมากเลยบัด น, นี้เราตื่นแล้ว เมื่อความปรารถนาหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมเนี่ยเพราะเตุที่ตื่นได้ตื่นจากความหลงได้อวิชชาดับไปเพราะความปรารถนาสิ้นความปรารถนาองค์ปรารถนาอะไรอ่ะถ้าดูในคลิมานนทสุก็ ค, อ ค, คือความปรารถนาความสุขเมื่อความปรารถนาความสุขหรือปรารถนาผลิพนานหมดไป ความทุกข์จึงหมดไปนะไม่ใช่ว่าได้ความสุขซะก่อนหรือได้นิพพานซะก่อนความทุกข์จึงหมดไปแต่เราเข้าใจผิดนะคือเราเข้าใจว่าต้องได้นิพพานซะก่อนแล้วความทุกข์จึงหมดไปหรือว่าได้พบความสุขซะก่อนสุขที่แท้จริงซะก่อนความทุกข์จึงหมดไปเราไปเข้าใจอย่างนี้หรือได้พบความว่างที่แท้จริงซะก่อนซึ่งเราแปลว่านิพพานคือความว่าง ต้องได้นิพต้องได้ความบ้างสก่อนแล้วความทุกข์ถึงจะหมดไปเราไปหมายผิดกับพระองค์องค์ก็เคยหมายแบบนั้นมาแล้วก็บอกกับอานน์ว่าอานน์เราสถาคตบำเพ็ญเพียรมาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัรในภพชาติปัจจุบันก็อีกหกปีเต็มมีความปรารถนาความสุขที่ทุกข์ไม่มีให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มี ไม่สามารถจะจะทำได้ทำยังไงก็ทําไม่ได้จึงยอมคืนสุขให้แก่ทุกไปปล่อยวางสุขคืนให้แก่ทุกจึงจะพ้นจากทุกได้ไม่ใช่ว่าเราไปพบสุขซะก่อนหรือไปพบปณิพานธซะก่อนหรือไปพบความว่างซะก่อนความทุกข์เราถึงจะหมดสิ้นไปแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ก็เคยทําแบบนั้นแล้วไม่สามารถพ้นทุกได้ในบารมีเขาองขนาดนั้นก็ยังไม่สามารถพ้นทุกได้ จึงวางสุขคืนปล่อยสุขคืนให้แก่ทุกไปเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมมันก็เหลือแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นตามความเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบันทุกสังขารที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารเ ท, ท่เ า, า, ททานั้นที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารเท่านั้นที่ดับไปหรือพระเจ้าตรัสว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น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 อยู่ในปัจจุบันนี่เนี่ยไป่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมีผู้เข้าไปเสวยมีผู้เข้าไปลองรับมีผู้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไหมเพรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุอรหันต์เนี่ยเห็นท่านแต่ละองค์มีแต่สังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่ตั้งอยู่สังขารที่ดับไปแต่ไม่มีผู้เสวยสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นอยู่อย่างเดียวอาการทั้งหมดมีอยู่ สภาวะธรรมใดๆทั้งหลายก็มีอยู่แต่สิ้นผู้เสวยอาการสิ้นผู้เสวยสภาวะธรรมใดๆทั้งมวลทุกอย่างมีหมดอาการใดๆก็มีหมดสภาวะธรรมใดๆก็มีหมดแต่มันขาดอยู่ตัวเดียวคือหายไปอยู่ตัวเดียวคือสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้กินอาการหรือสิ้นผู้ยึดบัน่นหรือมั่นถ้าไม่ยึดก็ไม่มีอะไรต้องปล่อยให้มันเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ย เห็นมันอย่างเนี้ยนอกจากสังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วไม่มีอะไรเลยที่ท่านว่าองค์ปู่มั่นปุริสโตเขียนไว้ในขันทวีมุตตะบางขีธรรมะว่ารู้ไม่ทันสังขารบางธรรมรู้ไม่ทันขันบางธรรมมาบางธรรมที่มันเป็นธรรมชาติสัจธรรมความจริงที่ปรากฏหมดคือธรรมที่ไม่ปรุงแต่งและไม่เคยพบธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเลยเพราะสังขารมันมาบาง ไม่แต่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งดิ้นรนคนหาพยายามพยายามอยากอยากากยา ก, ยา ก, ยากมันเลยบังธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไปหมดใจสงบต่นนั้นแหละก็พบสุขใจไม่สงบไม่พบสุขได้หรอกโวยหาความสุขโวยหาปฏิภาสจิตใจไม่สงบมันก็ไม่พบสุข ใจที่สงบนนแน่แน่จงเป็นความสุขนัติสันติปรังสุ ข, ขังไม่มีสุขอันไหนเท่ากับใจที่สงบนิพพานาังปละมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นว่างจากความปงแต่งยิดมั่นถือมั่นใดๆทั้งปวงนิพพานาังปละมังสุ ข, ขัง ความสุขอย่างยิ่งที่เกิดจากใจสงบจากความปรุงแต่งหยุดตือไใดๆทั้งหมดนั่นเองเป็นนิพพานคือนิพพานนั่นเองเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่มันสงบเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกตัวคนมีอยู่ในทั้งหมดในพระพุทธเจา้าในพระอาหารหันต์ในปุตตชนในสรรพสัตว์ทั้งหลาย ใจทีมีความสงบมีความสงัดมีความเงียบอยู่ในตัวมันมีความเงียบเพราะมันไม่มีความไวไุ่นวายใดๆไม่มีความปรุงแต่งใดๆมันเลยมีแต่ความเงียบความสงบความสงัดเป็นธรรมชาติแท้ๆของเขาไม่มีใครไปปรุงแต่งมันหรอก